ในชีวิตของคนคนหนึ่งนะโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังธรรมะจริงๆมีไม่มากหรอกถ้าเราได้ยินได้ฟังนะเป็นโอกาสสำคัญของชีวิตเลยคนที่เรียนธรรมะกับหลวงพ่อบางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อเขาฟังจาก Youtube บ้างจากซ d ดีบ้างเขาพอวนาเป็นเต็มบ้านเต็มเมือง เปลี่ยนแปลงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนับจำนวนไม่ถูกละเมื่อสามสิบปีก่อนในวงกรรมฐา น, นจะหาคนซึ่งมีความรู้สึกตัวสักคนหนึ่งนะไม่ใช่หาง่ายบางทีเข้าไปตามวัดกรรมฐานอะไรต่างๆคนที่มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบางทีทั้งวัดหาไม่ได้หรือบางทีมีครูบาอาจารย์อยู่ครูบาอาจารย์ทำได้ แต่ว่าคนที่จะเรียนให้จิตตื่นขึ้นมาจริงๆมีน้อยเต็มทีเมื่อสกว่าปีก่อนหลวงพ่อสอนเพื่อนไม่กลุ่มหนึ่งแค่มีความรู้สึกตัวเป็นเท่านั้นจิตตื่นขห้นมาพอรู้สึกตัวเป็นจิตตื่นพาไปกราบครูบาอาจารย์เราเข้าวัดท่านท่านจิตท่านไวส่วนมากครูบาอาจารย์กรรมฐานที่เราไม่ต้องไปถามอะไรแนละ้วเอง เข้าไปใกล้ๆท่านก็สอนให้นะบางวงท่านหันมามองท่านบอกไปรวมกันมาได้ยังไงตั้งเยอะขนาดนี้สิบคนนี้ท่านไปเยอะแล้วนะนี่ถ้าท่านมีชีวิตยอยู่ถึงวันนี้ท่านจะต้องทึ่งมากเลยว่าทำไมคนภาวนาเป็นเนี่ยนับจํานวนไม่ถูกละตอนหลวงพ่อสอนใหม่ๆนะหลวงพ่อก็เอาสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่ออะไรมาสอนพวกเรา ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเจอหลวงพ่อท่านก็ท้วงนะงประโมทเอาธรรมะสูงเกินไปมาสอนฆรวาสฆรวาสนะสอนให้มันทําทานถือศีลมันก็ทําไม่ได้แล้วแค่นั้นอนะ่ะไม่ต้องมาสอนเรื่องภาวนาหรอกหลวงพ่อก็ครับครับครับแต่ไม่เชื่อทําไมไม่เชื่อว่าหลวงพ่อภาวนามาตด้แต่เป็นฆรวาสทําไมเราภาวนาได้ครูบาอาจารย์ชมได้ ไม่คนอื่นมันจะโง่อะไรนักหนามันก็ทำได้เหมือนกันอาศัยว่าไม่เชื่อนะหลวงพ่อก็เลยสอนธรรมะในภาคปฏิบัติจริงๆไม่ใช่แค่ทำทานถือศีลหรือนั่งสมาธิให้ใจสงบสิ่งเหล่านั้นก็ดีเหมือนกันแต่ดีไม่มากมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิเจ้าชายสิทธัตถะออกจากวังไปบวช ก็ไปหัดนั่งสมาธิกระลือสีท่านก็พบว่ามันไม่ใช่ทางหรอกแล้วก็หาทางของท่านเองหาฝึกทรมานตัวเองเมื่อฝึกทางจิตใจให้จิตใจสงบเต็มที่แล้วก็ยังไม่บรรลุมรรคผลเขมาฝึกทางร่างกายดัดดัดนิสัยกิเลสมันอยากกินก็ไม่กินอยากนอนไม่นอนอยากสุกอยากสบายก็ทำตัวให้ลําบากทรมานร่างกายอยู่หลายปี สุดท้ายท่านก็เพราะว่ามันไม่ใช่ทางอีกแล้วเพราะฉะนั้นการไปนั่งสมาธินะให้ใจสงบนิ่งเลยแทบจะหมดความรู้สึกตัวท่านก็บอกไม่ใช่ทางการไปฝึกทรมานตัวเองบังคับตัวเองแบบเข้มงวดกวดขันเครียดก็ไม่ใช่ทางอีกการปล่อยตัวปล่อยใจอยู่กับโลกท่านเป็นเจ้าชายอยู่กับโลกจนอายุ29่ปีมีความสุขอย่างที่ชาวโลกเขามีท่านก็เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทาง ทางรอดมันอยู่ที่ไหนทางรอดเนี่ยท่านก็นึกไปถึงตอนท่านเด็กๆได้ตอนท่านเด็กๆ เ, เ, เ, เนี่ยช่วงนั้นมีงานแรกนกกวันพ่อท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนพระเจ้าแผ่นดินไปไถานาเองเดี๋ยวนี้ท่านมอบผู้แทนไปมีพญาแลกนาไปไถพระเจ้าสุโธทั้าก็ไปไถนาพี่เลี้ยงของเจ้าชายสิทธาฯก็ไปดูพระเจ้าแผ่นดินไถนา ปล่อยท่านไว้ใต้ต้นไม้คนเดียวว่าต้นว่านะพวกเราคงไม่รู้จักต้นว่าแล้วลนะ่ะท่านอยู่คนเดียวไม่มีใครยุ่งด้วยนะท่านก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธินะทําอานาปนาสติหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวก็าหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวในเวลาไม่นานเลยบนะารมีเก่าท่านเยอะเคยฝึกจิตของท่านก็ตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน แถมได้ปฐมฌานด้วยได้ฌานที่หนึ่งลักษณะของผู้ปฏิบัติเนี่ยถ้าเราเคยปฏิบัติมาแต่ชาติก่อนๆมามาชาตินี้ตอนเด็กๆ เ, เนี่ยบางทีมันกลับมาเมื่อเราไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนามันกลับมาเองมีมพระหมณงหนึ่งมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าตอนใบรุ่นไปงานลอยกระทงไม่ทันระวังตัวเขาจุดพลุ ไปยืนอยู่ใกล้ๆที่เขาจุดรู้ไม่ทันระวังพอเขาจุดเนี่ยเปรี้ยง้มั น, มนตกใจตกใจเนี่ยเห็นจิตที่ไหวตัวขึม้มเห็นจิตที่ตกใจจิตดีดผังออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้เเเมเลยหลวงพ่อตอนเด็กๆนะอายุก็ไม่มากหรอกสิบปีได้ยังพาวนาก็ได้แต่ทำสมถะเฉยๆวันหนึ่งบ้านเป็นตึกแถววันหนึ่งไฟมันไหม้ข้างๆบ้าน ห่างออกไปทั้งสี่ห้าหลังสี่ห้าห้องติดกันตกใจตกใจก็ลุกขึ้นมาวิ่งนะเล่นอยู่หน้าบ้านนะลุกขึ้นมาวิ่งจะไปบอกพ่อวิ่งก้าวที 2, ่หนึ่งก้าวที่สองก้าวที่สามเนี่ยมันเหมือนเปิดสวิตขึ้นมาจากข้างในจิตมันตื่นทับขึ้นมาเลยนะมันเห็นจิตที่ตกใจมันรู้ทันจิตที่ตกใจขึ้นมาจิตตื่นขึ้นมาเลย ความตกใจความกลัวอะไรเนี่ยไม่มีเหลือเลยเดินไปบอกผู้ใหญ่แล้วก็เห็นผู้ใหญ่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยลักษณะที่ว่าถ้าเราเคยทํานะถ้าเราเคยทํามาตอนเด็กๆมันจะกลับมาโดยไม่ได้เจตนาถ้าเจตนามันไม่กลับมาเจ้าชายสิทธัตถะบารมีท่านมากท่านไม่ต้องมีอะไรที่ตกใจมันยังกลับมาพระอื่นๆครูบ า, าอาจารย์อื่นๆมางองท่านต้องตกใจนะ ความตกใจนี่เป็นอารมณ์ที่รุนแรงอารมณ์ที่รุนแรงเกิดขึ้นสติมันกลับมาอัตโนมัติเลยมันเห็นความตกใจฉีนเป็นผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยเจ้าชายศรีทัตถาก็นึกถึงสมาธิชนิดตอนเด็กๆสมาธิที่เป็นธรรมชาติมากเลยนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไม่ได้ฝึกบังคับจิตให้สงบเลยไม่ได้น้อมจิตเข้าหาความสงบนะด้วยน่านำมาสอน พวกเราลุ่นหลังนะท่านบอกดูกุลาพิสูทั้งหลายให้เธอคู่บันลงังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวพวกเราก็ได้ยินนะแต่เราทำแล้วเพี้ยนไปหมดเลยเริ่มต้นท่านบอกว่าให้คู่บันลงังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าท่านไม่ได้บอกให้หลับตาพวกเราพอเริ่มต้นต้องหลับตาไปก่อน เราเคยดูหนังดูสีหลับตาเท่านั้นอ่ะดูสีไม่ค่อยลืมตานะนั่งหลับตาท่านบอกหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกหายใจเข้าของเราหายใจเข้าหายใจออกนึกออไม่พอเริ่มนั่งสมาธิหายใจเข้าหายใจออกใจเนี้ยแน่นไปเรียบร้อยแล้วลองเราลองทําสมาธิดูนะลองหายใจเข้าก่อน อ่เริ่มต้นโดยการหายใจเข้าก่อนแล้วก็ ห, หายใจออกเริ่มลองดูจำความรู้สึกตัวนี้ไว้นะลืมตาขึ้นมาเห็นไมเกือบทั้งห้องเลยหลับตาหมดแล้วบอกให้นั่งสมาธิปุ๊บหลับตาเลยนะดูพระพุทธรูปสิไม่มีหลับตาเลยนะพระพุทธรูปลืมตาทุกปางเลยกระทั่งนอนนะพระนอนก็ลืมตามันเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกตัวนะ เมื่อกี้จําได้ไหมจำความรู้สึกได้ไหมตอนที่เราหายใจเข้าปุ๊บมันจะแน่นๆนะท่านี้เอาใหม่ลองทําสมาธิอีกอย่างหนึ่งหายใจออกก่อนหายใจออกแล้วก็ค่อยหายใจเข้าเราดูสิเอาพอเห็นความต่างไหมท่านทำที่ตามที่ท่านสอนนะแล้วมันจะง่ายหลวงพ่อเนะ่ยเล่นอานาปนสติมาตั้งแต่7จ็ขวบเริ่มต้นก็าหายใจเข้าอย่างนี้นะ ใจเข้าจะมันกลายเป็นลมหายใจดับเป็นแสงตามแสงไปเที่ยวไปเล่นอะไรต่ออะไรไม่ใช้อะไรไม่ได้มันไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยท่านบอกว่าครูบรรลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรั้วยาวหายใจเข้ายาวด้วยยาวเห็นไหมใจมันผ่อนคลายถ้าหายใจเข้าใจมันหนักใจมันแน่นทันทีเลยใจแน่นๆมันใจอกุศลนะ จิตที่หนักจิตที่แน่นจิตที่แข็งจิตที่ซึมจิตที่ทื่อเป็นอกุศลจิตจิตที่เป็นมหากุศลจิตมีละหุตามีความเบามีมุทุตามีความอ่อนโยนความทุ่มนวนนะมีป่าคุนตาคล่องแคล่วว่องไวมีกรมัญตาควรแกการงานไม่ขี้เกียจขี้คลานมีอุชุกตาซื่อตรงในการรู้อารมณ์อะไรมาก็รู้อะไรมาก็รู้ไม่ใช่อยากรู้อันนี้ไม่อยากรู้อันนี้นะ จิต ท, ที่เป็นกุศลจริงๆสบายๆายจิต ท, ที่เป็นธรรมชาติจิต ท, ที่เป็นธรรมดานี่เอง <_ p ain> นี่ท่านบอกว่าผู้บันลังตั้งกายตรงดำโลสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรูาาวร้่หายใจเข้ายาวท่านให้เห็นมีสติเห็นเ <_ p ain> ห็นอะไรใครเป็นคนหายใจออกยาวใครเป็นคนหายใจเข้ายาวร่างกายเป็นคนหายใจท่านบอกหายใจออกยาวก็รู้ ใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้กลายหายใจจิตเป็นคนรู้งั้นเราลองทดสอบนะต่อไปนี้ทุกคนให้ให้ทำอนาปนสติจ้องไว้ที่ลมหายใจให้จิตจับแนบเข้าไปที่ลมหายใจลองดูสิให้จิตจับลมเลยนะอ่ะพอละลืมตาขึ้นมายิ้มหวาน ยิ้มหวานเป็นการให้จิตมันหลุดจากอารมณ์ซึมตะกี้จำได้ไหมพอเริ่มนั่งเข้าไปก็มีแต่บางคนไม่อยอมนัง่งนั่งคิดทำไมต้องนั่งทำไมต้องนั่งคิดมากอ่ะคิดมากยากนาน <laughs> ต้องทำาังไงต้องทำอย่างนี้บอกให้ทำอะไรก็ลองลองทำไปดูก่อนนะ <laughs> เดี๋ยวก็เป็นเห็นไหมเวลาที่เรารู้ลมหายใจนะเราไปรู้อยู่ที่ลมหายใจนะใจจะแน่นๆ พระเจ้าไม่ได้สอนให้รู้ที่ลมหายใจนะท่านบอกหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวท่านไม่ได้บอกให้รู้ลมหายใจตัวอะไรที่หายใจออกยาวร่างกายนี้หายใจออกยาวร่างกายนี้หายใจเข้ายาวเอาใหม่คราวนี้เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าดูทั้งตัวดูกว้างๆดูสบายๆเห็นร่างกายหายใจไม่ได้ไปจ้องที่ลมหายใจ อ่ะพอยิ้มหวานหวานยิ้มหวานหวานนี่คล้ายๆล้มกระดานเอาใหม่นะเคยเห็นไหมสมาธิสองอันนี้ไม่เหมือนกันตรงที่เราจ้องลมหายใจนะใจจะแข็งๆตรงที่เราเห็นร่างกายหายใจเราเป็นแค่คนดูใจเป็นคนดูนะเห็นร่างกายหายใจใจโปร่งนะใจรู้เนื้อรู้ตัวฝึกสมาธิให้มันถูกวิธีนะต่อไปนี้นะเห็นร่างกายหายใจไปถ้าจะเดินจงกรม เห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูนะถ้าจะนั่งเห็นร่างกายนั่งใจเป็นคนดูถ้าจะรู้ลมหายใจนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูดูมันทั้งตัวนะันนะนี่ค่อยๆฝึกนะถ้าจิตของเราไม่ถูกนะจิตเรามีสมาธิที่ไม่ถูกเนะีเราไม่สามารถเจริญปัญญาได้ทํำวิปัสสนาไม่ไดนะ้จิตที่จะใช้เจริญวิปัสสนาดได้เนะี่ยในอภิธรรมมีชื่อชื่อยาวมากเลยชื่อบอกมาหากุศลจิต ยานสัมปยุตอาสังขาริกังความจริงยาวันนี้อบอกเวทนาด้วยมีโสมนัสเวทนามีอุบเบกขาเวทนาเพะฉะนั้นมันจะมีจิตยอยู่2ดวงที่เราจะใช้ทำวิปัสสนาจริงๆจิตที่เป็นกุศลลักษณะจิตที่เป็นกุศลเมื่อกี้บอกแล้วจิตที่ธรรมดานี่เองจิตที่เบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ได้อยากรู้อารมณ์ ถ้าอยากรู้อารมณ์เป็นจิตโลกไม่ได้ปฏิเสธอารมณ์ถ้าปฏิเสธอารมณ์เป็นจิตโกรธนี่เป็นแล้วก็ไม่ได้ลืมอารมณ์ถ้าลืมอารมณ์ไปเป็นจิตหลงไปเป็นจิตที่รู้อารมณ์รู้สบายๆนั้นเป็นจิตที่เป็นกุศลประกอบด้วยปัญญาเกิดโดยไม่ได้จงใจไม่ได้จงใจให้เกิดถ้าเราเป็นปัญญาที่จงใจให้เกิด ยังไม่ใช่วิปัสนาเดี๋ยวถ้าเราต้องคิดพิจารณาอยู่นะอยากให้เกิดปัญญาดูร่างกายแล้วคิดพิจารณาร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่งคิดอย่างนี้ยังไม่ใช่วิปัสนานะเป็นกุศลที่ยังต้องชักชวนให้เกิดมันต้องเกิดอัตโนมัติไม่ได้เจตนาจะเห็นมันก็เห็นนะนี่เราจะฝึกให้เกิดจิตชนิดนี้ได้ยังไงะอย่าไปหัดสมาธิที่ผิดสมาธิที่ผิดนะไม่ทําให้เกิดจิตชนิดนี้เรามาทําสมาธิที่ถูกนะ หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวเห็นร่างกายนี้แหละหายใจออกเห็นร่างกายนี้หายใจเข้าเห็นร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนจะกินข้าวนะเห็นร่างกายกินข้าวเข้าห้องน้ำนะจะขับถ่ายเห็นร่างกายขับถ่ายใจเป็นคนดูนะดูดูดยังไงดูด้วยความรู้สึกไม่ต้องดูด้วยตานะรู้สึกถึงร่างกายนี่ค่อยๆรู้สึกไปลองไปยักหน้าซิ พยักหน้าเนี่ยแค่รู้สึกไหมว่าพยักหน้าอยู่หรือใครพยักหน้าแล้วก็ยังไม่รู้ว่าพยักหน้ามีไหมไปปรึกษาจิตแพทย์นะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยเมื่อกี้หัวเราะเห็นไหมร่างกายหัวเราะเนี่ยใจเราเป็นแค่คนรู้เรายิ้มหวานๆแล้วให้เป็นร่างกายยิ้มใจเป็นคนรู้สึกนะเนื้อหาดรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆนะแล้วจะเห็นว่ากายกับใจเนี่ยมันคนละอันกันนะร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอันกันจิตมันจะเป็นคนดู ร่างกายมันแสดงเป็นผู้แสดงจิตเป็นคนดูเราขยับมือสิขยับมือรู้สึกไหมร่างกายมันขยับมือนะแค่รู้สึกนะไม่ต้องจ้องไม่ต้องอย่างนี้นะอย่างหลวงพ่อเทียนนะขยับขยับแล้วรู้สึกนะหลวงพ่อคําเขียนที่เพิกสินนะ้นเขาพูดขยับแล้วรู้สึกเอานะใจหนีไปแล้วรู้ทันนะมันก็แค่รู้สึก อย่าไปเพ่งนะอย่างขยับมืออย่างเงี้ยอย่าไปเพ่งจ้องอยู่ที่มือเวลาหายใจอย่าไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจเวลาดูท้องฟองยุบอย่าไปจ้องอยู่ที่ท้องเวลาเดินจงกรมอย่าไปจ้องอยู่ที่เท้ารู้สึกสบายสบายไปรู้สึกสบายรู้ตัวทั่วพร้อมสบายนะจะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูกายกับใจนี้คนละอันกันนะพอหัดแยกตรงนี้ได้นะต่อไปก็หัดแยกให้มากขึ้นอีก ความรู้สึกกับจิตใจก็คนละอันกันอย่างพอเรานั่งนะเราก็นั่งไปเรื่อยๆพอมันเมื่อยขึ้นมาใครเมื่อยไปบ้างแล้วบ้างมีไหมเนี่ยนั่งมาหลายนาทีแล้วนั่งมายี่สิบห้านาทีใครเมื่อยบ้างยกมือยืนไหมเอากล้องอีออก <laughs> <laughs> นั่งก็เมื่อยะยืนก็แล้วกันยืนก็เมื่อยอีกเห็นไหม สังเกตไหมว่านั่งทีแรกยังไม่เมื่อยนั่งไปสักพักหนึ่งความเมื่อยก็แอบกระดึบกระดึบกระดึบเข้ามาในร่างกายใครเมื่อยตรงไหนบ้างใครเมื่อยที่ขายกมือซิมีไหมใครเมื่อยที่เอวใครเมื่อยที่คอที่ไหล่ใครเมื่อยมันทั้งตัวเลยมีไม้ม <laughs> น่าสงสารมากเลย <laughs> หาความสุขไม่ได้สักนิดเลยในร่างกายนี้เนี่ยสังเกตไหมว่าตอนที่เรานั่งทีแรกยังไม่เมื่อย นะความปวด <sk ill> ความเมื่อยมันมาทีหลังนั่นมันไม่ใช่ร่างกายหรอกแล้วมันก็ไม่ใช่จิตใจนะจิตใจเป็นคนไปเห็นมันเข้าความเมื่อยเป็นของที่มาทีหลังนะนี่เราค่อยๆฝึกนะค่อยๆดูค่อยๆนะแยกไปเราเห็นว่าร่างกายหายใจอยู่ใจเป็นคนดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูอันนี้มันจะกายกับใจแยกออกจากกันแล้วนะก็มาพัฒนาต่อให้เห็นเลยความปวดความเมื่อยความสุขความทุกข์ในร่างกายนะไม่ใช่ร่างกาย เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเคยนั่งสมาธิแล้วปวดบ้างัหมเมือ่อยแล้วนั่งนานๆแล้วหายเลยเคยไหมหายแน่นอนนั่งไปมากๆชาไปเลยไม่ปวดหรอกแต่ลุกขึ้นมาไม่ได้นะลุกขึ้นมาไม่ได้แล้วขาขาไม่เป็นขาขาเป็นอนัตตาเนะีน้ยความปวดความเมื่อก็ไม่เที่ยงนะก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน แล้วค่อยๆหัดดูนะร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งนะความสุขความทุกข์ในกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์อยู่ที่ร่างกายอย่างเดียวหรือว่าอยู่ที่ใจได้ด้วยอยู่ในใจก็ได้ใช่ไหมบางทีเราก็สุขกายบางทีก็สุขใจบางทีก็ทุกข์กายบางทีก็ทุกข์ใจมันอยู่ได้ทั้งสองที่ตัวความสุขความทุกข์เนี่ยให้สังเกตไปอย่างใจข้งเรานะตอนนี้สังเกตไหมเกือบทั้งห้องมีความสุขรู้สึกไหมเนี่ยลองดูไปสิ รู้รู้ทันความสุขตัวนี้ไปรู้เฉยเฉยอย่าไปทําลายมันนะสังเกตไหมว่ามันเปลี่ยนมันแปลสภาพจากความสุขนะค่อยๆลดระดับลงมาเป็นอุเบกขาเป็นความเฉยเฉยนะถ้าหลวงพ่อเทศไปเรื่อยๆนะจนบ่ายโมงก็ไม่เลิกนะมันจะเปลี่ยนจากความสุขเปลี่ยนจากอุเบกขาเป็นความทุกข์จะมีโทสะพระอะไรพูดมากนะไม่สํารวมพูดมากนะ รับรองหลวงพ่อเทศไม่ถึงเที่ยงหรอกเพราะหลวงพ่อเทศแต่เรื่องไม่เที่ยงนะเนี่ยรู้สึกขำไหมเนี่ยลองดูสิความรู้สึกขำกับจิตเนี่ยคนละอักันจิตเป็นคนรู้นะความรู้สึกขำความรู้สึกสุขความรู้สึกโลภโกรธหลงอะไรเนี่ย <ใช S 1> เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่จิตหรอกนะต่อไปไปดูนะเวลาความทุกข์เกิดขึ้นก็จะเห็นนะความทุกข์กับจิตก็คนละอันกัน นะความทุกข์กับร่างกายก็คนละอันกันความสุขกับจิตก็เป็นคนละอันความสุขกับร่างกายก็คนละอันนะกิเลสทั้งหลายก็ไม่ใช่จิตนะเป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาให้จิตรู้เท่านั้นเองมันเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเราบางคนก็หน้าตาดีบางคนก็หน้าตาร้ายเวลากิเลสมาก็เหมือนผู้ร้ายผ่านหน้าบ้านเวลากุศล kind of มานะมเหมือนอะไรสวยๆงามๆผ่านเข้ามาผ่านมาแล้วมันเป็นไง แมันก็ผ่านไปถ้าขืนมันผ่านมาแล้วไม่ผ่านไปนะกระทั่งของที่สวยงามเราก็ไม่ชอบนะฉะนนบ้านเราเนี่ยทางเข้าออกบ้านเรานะี่อยู่ๆกทมจะมาปลูกต้นไม้สวยงามหน้าทางเข้าบ้านเรา่าเงี้ยเราก็ไม่ปลื้มหรอกนะ้ำมันมาแล้วมันไม่ไปถ้ามันมาแล้วมันไปเนี่ยค่อยปลื้มหน่อยหรือรถขยะมารถขยะมาพอใจหรือไม่พอใจพอใจลองรถขยะไม่มาสิด่าผู้ว่ากทม อ, อีก ใช่ไหมาขยามมาพอใจแต่ถ้าเกิดไม่ยอมไปอ่ะเสียอยู่หน้าบ้านเราอ่ะเนี่ยสังเกตนะทุกอย่างที่ผ่านมาผ่านไปทั้งสิ้นเลยมาแล้วมันไปมาแล้วมันไปในใจเรานี่ก็เหมือนกันกูศนมันมาแล้วมันก็ไปอกูศนมาแล้วมันก็ไปไม่ต้องไล่มันก็ไปเองเพราะมันไม่เที่ยงนะงั้นเวลาที่เรามีกิเลสเกิดขึ้นในใจนะค่อสังเกตไปกิเลสกระใจายก็คนละอันกัน อย่างตอนนี้จิตเป็นกุศลนะจิตร่าเริงในธรรมะรู้สึกไหมจิตสนใจมีฉันทะที่จะฝังธรรมะนี่เป็นจิตที่เป็นกุศล น, นะหรืออย่างอยู่บ้านอยากมาฟังเทศจิตเป็นกุศลในี่ฟังไปนานๆอยากไปเที่ยวแล้วจิต เ, นะเป็นอกุศลละเนี่ยมันพลิกไปพลิกมานะกุศลอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไปอกุศลอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไปเหมือนกันเคยโกรธใครนานๆบ้างไหมมีไหม ตอนเด็กๆนะชอบท่องนะโกรธร้อยปีอย่ามาดีร้อยชาติเค ย, เคยท่องไหมไม่แป๊บเดียวอ่ะยิ่งเด็กๆนะบอกโกรธร0อปีอย่ามันดีร้อยชาตินะไม่กี่นาทีก็ดีกันละถ้ามันไม่ดีก็ไม่มีใครเล่นด้วยต้องดีกันแม้ความโกรธก็อยู่ชั่วคราวความรักก็อยู่ชั่วคราวนะงั้นพวกที่มีความรักอย่านึกว่าจะหวานแหววตลอดชีวิตไม่มีหรอกความรักที่หวานแหววตลอดชีวิตนะ อยู่กันไปนานๆ น, นะมันเป็นความเห็นอกเห็นใจมากกว่านะไม่ใช่เรื่อ ง, ร, องรักแบบมือหวานตอนเป็นวัยรุ่นแล้วล่ะนะเห็นหน้าแล้วอุเบกขามากกว่า <laughs> อยาอยางดีกว่าเห็นหน้าแล้วมีโทสะใช่ไหม <laughs> ใครแต่งงานานานๆบน้างยกมือซิในห้องนี้มีไหมที่แต่งานานๆสิบปีขึ้นมีไหม <laughs> ตอบในใจนะไม่ต้องตอบออกมาข้างนอก <laughs> <laughs> รู้สึกไหมว่า ตอนนี้กับแต่ก่อนเนี่ยความรู้สึกไม่เหมือนกันไม่ต้องพยักหน้าด้วยนะตอบในใจหลเงพ่อไม่อยากให้เกิดวิกฤตความรักก็ไม่เที่ยงความโกรธก็ไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจเข้าก็ไม่เที่ยงร่างกายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนก็ไม่เที่ยงร่างกายที่กินอาหารก็ไม่เที่ยง ใครกินอาหารแล้วเที่ยงบ้างกินน้บแต่เช้านะกินวันละมือ้อบอกชันเอกาเมื่ อ, อไรมื้อกลางวันก็คือตั้งแต่ตื่นนะตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกกินไปเรื่อยๆนะบอมื้อเดียวนะไม่ว่าทาอะไรนะชั่วคราวไปหมดเลยนะจะขับถ่ายก็ ข, ขับถ่ายชั่วคราวบางทีเรารู้สึกว่าของที่ชั่วคราวเนี่ยไม่ดีนะ แต่ถ้ามันเกิดคงที่อยู่นะทุกหน้าดูเลยเพราะเมื่อไหร่มันคงที่อยู่ไม่ยอมเปลี่ยนนม่ั้นมัทุกบีบขันงั้นอ น, นิจจ์เนี่ยนะคือของที่มันมีแล้วมันก็ไม่มีทุกขังเนี่ยนะของที่กําลังมีอยู่เนี่ยถูกบีบขันอยู่ตลอดเวลาให้สลายตัวถ้าไม่สลายตัวถูกบีบขันหนักทุกหนักเลยนะงั้นบางทีเราเจอสภาวะต่างๆนะถ้ามันคงที่อยู่นิรันดรทุกตายเลย มันบีบคั้นตลอดเวลามันจูบไม่ได้มันต้องแปรปรวนนะแล้วสิ่งสิ่งใดนะมีอยู่แล้วก็ไม่มีเรียกว่าอนิจจังนะสิ่งที่กําลังมีเนะี่ยถูกบีบคั้นให้สลายตัวเรียกว่าทุกขังสิ่งทั้งหลายจะมีหรือจะตั้งอยู่หรือจะดับไปเราสั่งไม่ได้นะอันนี้เรียกว่าอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับเนี่ยการที่เรามาคอยรู้กามาคอยรู้ใจนะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่ง เห็นความสุขความทุกข์ไปอยู่อีกส่วนหนึ่งเห็นกุศลอกุศลแยกไปอยู่ส่วนหนึ่งใจที่เป็นคนรู้อยู่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยแยกไปแยกไปเราจะเห็นเลว่าทุกอย่างมีแต่ของไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงไงก็เปลี่ยนเป็นหายใจเข้าทำไมไม่มันหายใจออกอย่างเดียวไม่ได้มันถูกบีบคั้นหายใจออกไปเรื่อยๆจะทุกข์นะจะถูกบีบคั้นทดลองีิเราหายใจออกออกให้ยาวที่สุดเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยหายใจออกยาวเท่านี้เลยเอาลองดูสิ ทุกไหมเนี่ยไม่ถึงนาทีก็ทุกลยหไหมาหายใจเข้าซะเดี๋ยวขาดใจหายใจเข้าให้ยาวที่สุดเลยในชีวิตอาลองดูซิอย่าถึงขนาดปอดทะลุก็แล้วกันดูสิตอนหัวร้อเนี่ยต้องหายใจออกแน่เลยเห็นไหมอลองหายใจเข้าที่ทุกไหมหไหม่มันทุกนะมันบีบคั้นตลอดเวลานะนั่งอยู่ก็ทุกใช่เมื่อยเดินมากก็ทุก นอนมากก็ทุกนอนมากทุกไหมกลางคืนใครนอนแล้วไม่พลิกตัวเลยมีไหมมีพวกเป็นอมัมพาตพลิกไม่ได้รอให้คนอื่นเข้ามาพลิกให้นะทุกนะเป็นแผลกดทับเลยทุกมากเพราะฉะนั้นมันต้องเปลี่ยนไอเดียบทไปเรนะื่อยหนีความทุกข์ไปเรื่อยถ้าไม่เปลี่ยนความทุกข์บีบคัน้นทนไม่ไหวหรอกร่างกายนี้ถึงขนาดแตกดับเลยอย่างหายใจเข้าไม่ยอมเปลี่ยน แล้วทุกมากใชหมใช่ออกไม่เปลี่ยนก็ทุกมากอีกนะี่นอันนี้จังนะมันมันไม่คงที่นะแต่ถ้าคืนมันคงที่มันก็บีบคั้นมันบีบคั้นตลอดเวลาเพื่อให้ไม่คงทีนะ่แล้วมันสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้อย่างร่างกายเนี่ยบางทีเราคิดว่าสั่งได้เราสั่งได้เป็นคราวๆอย่างสั่งให้ยิ้มสั่งได้ใช่ไหมสั่งให้ยิ้มเนีเพราะอะไรรูปที่เคลื่อนไหวอย่างเนี้ยเรียกวินยติรูปรูปเคลื่อนไหวอย่างเนี้ย เกิดจากอำนาจของจิตเป็นคนสั่งแต่รูปบางอย่างไม่ได้เกิดจากจิตสั่งอย่างเราบอกว่าอย่าแก่เนี่ยสั่งได้ไหมเรานั่งนึกทุกวันอย่าแก่อย่าแก่อย่าแก่นะยิ่งคิดมากว่ากลัวแก่มากนะยิ่งแก่เร็วเลยนะถ้ามมันไม่ได้แม้ในร่างกายนี่นะมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงนะบางทีสั่งได้รูปบางอย่างสั่งได้แต่สุดท้ายก็สั่งไม่ได้อย่างเราก็เราสั่งร่างกายให้เคลื่อนไหวได้ถึงจุดหนึ่งก็สั่งไม่ได้ เจ็บหนักขึ้นมาเนี่ยอยากอยกขยับตัวนิดนึงก็ขยับไม่ไหวสั่งไม่ได้ใครเคยภาวนานะแล้วนอนหลับแล้วจิตตื่นตอนที่ร่างกายหลับบ้างมีไหมยกมือให้ดูน่ะซิมีไหมบางทีเห็นร่างกายกลอนครอกๆเลยนะอสั่งได้ไหมว่าอยากกลอนก็แกกลนอยู่นั่นนะ่ะฉันห้ามแกแกไม่ฟังนะมันไม่เชื่อนะสั่งมันไม่ได้จริงหรอกเนี่ยเรามาคอยรู้นะการที่เรามาค่อยฝึกให้ใจเราอยู่กับตัวเองลนะ เกจิตใจเราตั้งมั่นอยู่กับเนื้ตัวใจไหลเรารู้ใจหนีไปเรารู้นะหายใจไปรู้สึกตัวหายใจไปรู้สึกตัวนี่ฝึกมากๆเนี่ยแล้วก็ค่อยๆมาแยกเห็นร่างกายกับใจคนละอันเห็นสุขทุกข์กับร่างกายเป็นคนละอันสุขทุกข์กับจิตใจเป็นคนละอันเห็นโลภโกรธหลงกับจิตใจก็คนละอันเห็นจิตใจเป็นแค่คนดูพอฝึกอย่างนี้นะแล้วพอมันแยกออกแล้วเนี่ยแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยมันจะแสดงความไม่เที่ยงให้ดู แสดงความทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นให้ดูแสดงการบังคับไม่ได้ให้ดนะูอย่างร่างกายเนี่ยบางส่วนบังคับได้แต่บางส่วนบังคับไม่ได้จิตบังคับได้ไหมจิตเคยคิดจะไม่กโกรธไหมล้วก็กโกรธเคยไหมเคยว่าจะไม่ซื้อเราซื้อไหมเ <c oughs> ยอะแยะเลยใจเราเนี่ยเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอย่างเคยรักนานๆานไปก็ไม่รักก็ได้หรือเคยเกลียด แล้วกลับไปดีกันก็ได้เคยมีไหมเคยเจอใครสักคนเกลียดเกลียดนะตอนหลังชอบมีไหมใคยๆคุณหญิงดาลินเกลียดแล้วพินภพยวันนะนะรู้จัก บ, บ้างไหมใครเคยอ่านบ้าง <laughs> แก่ไม่พอไม่เคยอ่าน <laughs> ในนิยายน้ำเน่ามีเยอะนะแต่เรื่องนี้เขาไม่เน่านะในนิยายจะมีเยอะเลยจเจอแล้เกลียดไม่เอางอนทุกฝ่องทุกป่องนะสุดท้ายก็ไปหลงรักพระเอกอะไรเงี้ยนะหือพระเอกเยอะหญิงเนี่ยหนังไทยอจะมีเยอะเลยเรื่องประเภทเนี้ว่าจะไม่รักก็รักว่าจะไม่เกลียดก็เกลียดได้เพราะอะไรมันบังคับไม่ได้เนี่ยมาดูนะหัดรู้สึกตัวนะหายใจเราก็รู้สึกหายใจแล้วรู้สึ ก, ห ใ, ก, ส ก, ใ, หสกให้จิตใจอยู่กับตัวเอง ก็ค่อยๆเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งดีชั่วอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจที่เป็นคนรู้อยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็ดูไปเรื่อยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสอนให้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมันจะสอนให้เห็นว่าทุกอย่างถูกบีบคั้นให้สลายตัวไปจะสอนให้เห็นว่าไม่ใช่เราจริงๆนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราจริงๆจิตใจไม่ใช่ตัวเราของเราจริงๆ ถ้าเห็นได้นะต่อไปเนี่ยใจจะคลายความยึดถือพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือนะสาโบราณเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นเหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะชาติคือความเกิดสิ้นแล้ว การที่ต้องประพฤติปฏิบัติทำไม่ต้องทําอีกแล้วความทุกข์มาไม่ได้อีกแล้วมันมีที่สุดของความทุกขนะ์นที่สุดของความทุกข์มันมีต่อไปจะไม่ทุกข์อีกถ้ายงังบรรลุพระอรหันต์แล้วนะใจไม่ยึดถืออะไรไม่ยึดถือในร่างกายไม่ยึดถือในรูปในเวทนาคือความสุขทุกข์ไม่ยึดถือในความจําได้หมายรู้คือตัวสัญญาไม่ยึดถือในความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายในตัวสังขารไม่ยึดถือในจิต ถ้านะไม่ยึดถือในวิญญาณเมื่อไม่ยึดถืออะไรสักอย่างนะความทุกข์เนี่ยจะเข้ามาไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะใจจะพ้นทุกข์อย่างเด็ดขาดเลยใจมันทุกข์ขึ้นมาเพราะมันเที่ยวไปหยิบชวยสิ่งต่างๆเข้ามาครอบครองเอาไวนะ้เรายึดอะไรเราจะทุกข์เพราะสิ่งนั้นนะอย่างรักสาวสักคนหนึ่งทุกข์ไหมต้องคอยเอาใจเขานะหรืออย่างเราเป็นสาวเนี่ยไอ้หนุ่มมาจีบเราเราตกลงแต่งกับมันเราเสียอิสรภาพนะใช่ไหม เพราะนผู้หญิงหลายคนเลยบอกไม่แต่งงานแล้วกับผู้ชายเท่าไรแต่งกับผู้หญิงดีกว่านะนะไม่ว่าจะแต่งกับใครนะเสียอิสรภาพเท่านั้นแหละนะเคยขี้เกียจก็ขี้เกียจไม่ได้เพราะนต้องลุกขึ้นมาทำโน้นทำนี่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นะนะไม่ว่าเรานะเรายึดถืออะไรเราก็ถูกเพราะสิ่งนั้นนะนะเรายึดถือบ้านนะก็เป็นห่วงบ้านนะบ้านที่เป็นเราเป็นเจ้าของกับบ้านที่เราเช่าเนี่ย เรายึดอันไหนมากกว่ากันบ้านที่เราอุตส่าห์ซื้อมาใช่ไมเราหวงมากเลยปลวกขึ้นกลุ้มใจมากกลุ้มใจมากถ้าบ้านเช่าปลวกขึ้นทำไงย้ายบ้านลาบากต้องย้ายบ้านถ้าไม่สมบัติมากนะักก็ไม่ลำบากเท่าไหร่ถ้ามีสมบัติมากก็ทุกมากใครมีรถบ้างใครมีรถใครมีมากกว่าหนึ่งคัน โหมีเยอะนะหลายคนรวยน่าดูเลยนะนั่งทีละกี่คันนั่งทีละคันแล้วบอกบางคันเอาไปส่งของนะอย่างนั้นก็จําเป็นก็ต้องมีมีรถก็กลุ้มใจใช่ไหมรถเสียก็ต้องดูแลบางคนไม่เคยอาบน้ําให้พ่อให้แม่เลยตื่นเช้ามาต้องอาบน้ําให้รถใครเคยอาบน้ําให้รถบ้างมีไหมเหนื่อยไหมเหนื่อย เหนือกว่าน้ำเองอีกนะมีหมาก็คุ้มใจนะถึงเวลาต้องพาไปฉีดยาหมาเป็นชี้เลือนคุ่มใจไหมคุมใจหมาออกลูกม่เยอะๆคุ้มใจไหมคุ้มใจแล้วทำไงนักปฏิบัติก็ควคุ้มใจแล้วรู้ว่าคุ้มใจคนไม่เป็นบัติหมาออกลูกคุ่มใจเอาไปปล่อยวัดนะอย่าทำนันนี้ใส่เสียนะวัดไม่ใช่สถานเลี้ยงหมานะ ไม่ว่าเรามีอะไรนะเราก็ถุกเพราะสิ่งนั้นเรารักอะไรเราก็ถูกเพราะนั้นสิ่งที่เรารักที่สุดก็คือกายนี้ใจนี้เป็นของที่เรารักที่สุดแต่ถ้าเมื่ อ, อไหร่เราเห็นความจริงนะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของน่ า, ารักกายนี้ใจนี้เป็นของไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์กายนี้ใจนี้พึ่งพาใส่ไม่ได้จริงถ้าเห็นอย่างนี้นใจมันไม่ยึดถือ่ว่าอยู่กับมันไปนงั้นแต่ไม่ยึดมัน อย่างเราอยู่กับเพื่อนสักคนนะแต่ว่าต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกันไม่ผูกพันอะไรกันเจอหน้าก็ทักไม่เจอก็แลกไปไอคนนี้มันล้มหายตายจากนะเราก็เฉยๆแต่ถ้ามันเป็นคนที่เรารักนะมันหายไปวันเดียวเรา ก, กลุ้มใจลนะเคยไม่นัดกับแฟนแล้วแฟนไม่มาหายไปกลุ้มใจนะที่แท้แฟนก็มาตามนัดเหมือนกันแต่มันนัดมันจําคนผิดมันไป น, นัดคนอื่นด้วยเนี้ยว่าอย่างนี้เจ็บใจน เนีมันมีแต่ปัญหานะคอยรู้คอยดูเข้าไปดูอยู่ในกายดูอยู่ในใจนี่แหละจกนกระทั่งเห็นความจริงของกายของใจเขอเห็นความจริงของกายของใจมันจะคลายความยึดถือคลายความรักความห่วงแหนลงไปเมื่อเราไม่รักมันไม่ห่วงแหนมันมันก็ไม่เป็นภาระกับเราอีกต่อไปร่างกายนี้จะแก่เออร่างกายมันแก่เรื่องของร่างกายร่างกายจะเจ็บเรื่องของร่างกายร่างกายจะตายเรื่องของร่างกายแต่ถ้าร่างกายยังอยู่ก็ดูแลมันไป ดูแลมันไปเพื่ออะไรเพื่อใหใช้ประโยชน์มันสร้างคุณงามความดีให้กับตัวเองนะก็ต้องอาศัยร่างกายไปสร้างอนะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะในขันห้าเรามีแต่ตัวทุกข์แต่ถ้ายังมีอยู่ก็ดูแลมันไปดูแลร่างกายก็ดูแลให้มันแข็งแรงนะดูแลจิตใจก็ดูแลอย่าให้กิเลสมันมาเบียดเบียนะให้มีศีลมีธรรมไว้คอยรู้ทันมีสติรู้ทันกิเลส เข้ามาในใจเรารู้ ร, รูไปนะกิเลสจะหนีออกไปเองกิเลสมันขี้อายถ้าเรารู้ทันมันมาแล้วเรารู้ทันมันจะหนีไปเองนะค่อยฝึกนะแลชีวิตเราจะได้มีความสุขถ้าเม่ไรไม่ยึดกายไม่ยึดใจได้เป็นพระอรหันตนะ์มีความสุขที่สุดเลยถ้ายัางยึดก็ยึดน้อยๆยยึดน้อยก็ทุกน้อยนอยนะ้ถ้ายึดมากก็ทุกมากถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกนะก็มีเท่านั้นเอง ร่างกายแก่เรื่องของร่างกายร่างกายเจ็บเรื่องของร่างกายร่างกายตายเรื่องของร่างกายอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตก็เห็นเป็นเรื่องปกตินะความสุขมามันก็ของชั่วคราวถ้าหายไปก็ไม่เสียดายความทุกข์มันผ่านเข้ามาสิ่งที่ไม่ชอบใจผ่านเข้ามาก็เรื่องธรรมดามาได้มันก็ไปได้เนะเราเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาไปหมดนะใจเข้าถึงความเป็นธรรมดายอมรับความเป็นธรรมดาได้ใ จ, จมีความสุขมีความสงบ ไม่มีความสุขอะไรเสมอเหมือนจิตที่เราฝึกดีแล้วเลยนะจิตเราฝึกดีแล้วเนี่ยโอ้มีความสุขมากแล้วยิ่งสัมผัสพันิพานได้สัมผัสพันิพาณ น, นี่คือจิตมันวางขันได้วางกายวางสุขทุกข์วางดีวางชั่ววางจิตลงไปได้นะมีความสุขฝึกเอานะได้แค่ไหนก็แค่นั้นะได้นิดหน่อยก็สุขนิดหน่อยนะดีกว่าไม่ได้เลยนะถือศีลห้าสรุปถือศีลห้า แล้ก็ฝึกจิตใจให้อยู่กันเนื้อกับตัวให้ใจออกรู้สึกให้ใจเข้ารู้สึกเห็นร่างกายมันหายใจไปยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเห็นรู้สึกตัวเรืฝึกรู้สึกตัววันหนึงสักสินาทีเวลาที่เหลือตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นดิ้นได้รสใจกระทบสัมผัสใจคิดนึกเนี่ยเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดดีให้รู้เกิดโลภกรธโทกให้รู้รู้เพื่ออะไรเพื่อจะเห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราว สุดท้ายปัญญามันเกิดนะทุกอย่างชั่วคราวใจก็สบายละไปทำเอานะอย่าให้เสียชาติเกิดเป็นคนไทยได้โอกาสได้เปรียบนะตอนนี้คนต่างชาติมาเรียนอับ่หลวงพ่อเยอะเลยนั่งสารมากเลยพูดไทยไม่ได้นะธรรมะนะมันมาอยู่เมืองไทยนานมันผู้หลุดเราฉลาดนะเลือกศาสนาพุทธเข้ามานะเอาเข้ามาแล้วจนกระทั่ ง, งธรรมะั้นถ่ายทอดด้วยภาษาไทย คนชาติอื่นอยากมาเรียนนี่ลาบากมากเลยน่าสงสารเขาฟังยากต้องเดินทางตั้งไกลเพื่อจะมาฟังมาแล้วก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหอีกลําลบากกว่าพวกเรามากเลยนี่พวกเราถ้าไม่ใส่ใจศึกษาไว้บ้างนะวันหนึ่งศาสนาพูดก็หายจากบ้านเมืองเราไปนะรุนลูกรุ่นหลานเราอยากจะเรียนธรรมะอาจจะต้องไปเรียนจากเมืองจีนอนะไรอย่างนี้เพราะคนจีนกําลังมาเรียนจากเมืองไทยอยู่ตอนนี้ข้ามไปข้ามมา เนี่ยวันนี้ก็มีคนเกาหลีมาเห็นแล้วก็สงสารนะแต่ละชาติมาไกลๆพวกเรามีโอกาสแล้วอย่าขี้เกียจขยันหน่อยนะโลกนี้ไม่มีอะไรสวยงามจริงอย่างที่คิดหรอกมันหลอกเด็กหลอกคนไร้เดียงสาหรอกนะถ้าเราภาวนาแล้วเราไม่ถูกหลอกชีวิตจะเป็นอิสระขึ้นมานะวันนี้เทศเท่านี้ก็พอละ กรรมนมัสการหลวงพ่อค่ะดิฉันมารายงานการปฏิบัติเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้กับตะก่อนไม่เหมือนกันค่ะเห็นไหมว่าโลกมันห่างออกไปค่ะใช่ค่ะเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันใช่ค่ะกเห็นไหมว่าไม่มีอะไรที่บังคับได้สักอันค่ะใช่จบแล้ะคนต่อไปเดียวค่ะมีอีกอย่างหนึงค่ะอ่ามีอีกเหรอก็บางวันก็เห็นกิใสแจ๋วกลิบเหมือนอืบมีความสุขนิดนิดอะค่ะเออไม่ก็ไม่เที่ยง นั่นแหละพาวนาถูกแล้วล่วะเห็นไหมว่ามันมีความเบิกบานผุดขึ้นมาได้ด้วยตัวของมันเองนะเป็น ค, ความสุขที่ไม่อิงอาศัยคนอื่นไม่อิงอาศัยสื่อไม่ต้องอิงอาศัยก็ะทั้งฌานสมบัติ<ช>ไม่ใช่ต้องไปเข้าฌานถึงจะมีความสุขอยู่ธรรมดาอย่างนี้แหละภาวนาดีตั้งใจจะถามหลวงพ่อก็บอกให้หมดเลยค่ะ เรารู้ภาพมีธุระอะไรรีบตรวจกันบ้านหน่อยการนมัสการหลวงพ่อครับจะรบกวนถามผัวนจากการปฏิบัตินะครับคือเจอว่ามันมีคล้ายสภาวะฟ้าแลบหรือว่าคล้ายๆมีประจุสองอันมุ่งมาชนกันแล้วมันเกิดสปาร์กครับที่หัวเราหรือที่ไหนในสมองหรืออะไรมันก็ไม่ไม่ในสมองเป็นในกายหรือในจิตในความรู้สึกครับตอนในความรู้สึกนะไม่เป็นไรถ้าในสมองต้องไปหาหมอบางคนมันสปาร์กในหัวนะครับมี แล้วระยะหลังๆจะเป็นเหมือนกับสะดุง้งพอพอมั น, ม, นมีสภาวะนี้มากมันจะจะแบบตึ๊กขึ้น น, าากกนิดนึงหน่นอหน่อยมันให้ก็ชินนะเป็นเรื่องของสมาธิอันนี้คือถูกทางอยู่ใช่ไหมครับถ้ า, ถ, าถ้ามันสパーคขึ้นมาแล้วใจเราเป็นยังไงให้รู้ทันเอาที่สําคัญคไม่สําคัญที่สパーคหรอกรสําคัญที่ใจเราครถ้ามันเกิดอย่างนั้นแล้วใจเราสงสัยว่าคืออะไรนะรู้ว่าสงสยัยครนะสมาธิดีครับต่อไปก็ดูนะธาตุขัน กายกจิตเนี่ยโคลนกันกายกับจิตโคโลนแยกไปเรื่อยนะไปเดินปัญญาไปถ้าไม่เดินปัญญาพ้นทุกข์ไม่ได้จริงสมาธิอย่างเดียวช่วยอะไรไม่ได้เท่าไหร่เรับดีลดการบังคับตัวเองลงหน่อยนะอะ หลวงพ่อขาออปกติปฏิบัติหลว ง, งพ่อประโมทไม่ใช่หลวงพ่อขาหลวงพ่อประโมทคะ่ะหนูหปฏิบัติแบบสงบมากๆมา ก, ก่อนนะคะเป็นแนวเพ่งแล้วมันก็ลาปฏิบัติแล้วมันก็จะมีอยู่สองอย่างไม่เพ่งก็ฟุง้งไม่เพ่งก็ฟุง้งก็พยายามจะปฏิบัติแนวรู้สึกตัวแต่ส่วนใหญ่เป็นการฟุ้งซะเยอะมากเวลาเคยชินกับเพ่งน ะ, อะพอเลิเพ่งแล้วจะฟุ้งเป็นปกติ มันฟุ้งมากเลยนะครัท น, ทนทนเอาแล้วมันจะค่อยๆลดการฟุ้งลงเพราะฟุ้งก็ไม่เที่ยงต้องทำใจอย่างนี้น ะ, ะ, ะหลวงพ่อขามีอยู่ครั้งหนึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งหนูรู้สึกว่ามันเหมือนตื่นขึ้นมาอมันแบบกำลังเดินเดินอยู่จะเดินขึ้นห้างนะคะมันรู้สึกเหมือนแบบโปร่งเบามันไม่เหมือนสงบที่เคยเป็ น, นใช่นั่นแหละภาวะแห่งความตื่นถูกไหมคะถูก อนี้สังเกตไหมว่าเราการภาวนาของเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนมันสบายกว่าเก่านะมันสบายกว่ามันไม่เครียดไอ้ที่ทํามาเก่าๆทิ้งไปนะมันทําไม่ถูกหรอกมันติดนะมันยังมีแอบแอบอะไรอนิ่งๆอยู่ข้างในอ่ะเออให้รู้ทันมีไม่มากแล้วใช้ได้แต่ตอนปล่อยใหม่ๆจะฟุ้งนะฟุ้งแหลกลานเลยมันคิดดอกเบี้ยแกบังคับให้ฉันนิ่งมานานนะพอแกเริกบังคับใล้วฉันวิ่งสุดจีดเลย มันจะเป็นอยู่ช่วงหนึ่งอีกนิดนึงนะคะตอนที่มันโปร่งเบาตอนนั้นนะคะรู้สึกเหมือนตื่นนั้นนะคะก็คือเออมันเหมือนมีอะไรมาบอกว่าอยู่ระหว่างความอยากกับความไม่อยากอืมอย่าไปเชื่อมันมากอย่าไปเชื่อมันใช่ไหมคะอมันพูดได้สารพัดเลยนะอืบางทีมันเทศให้เราฟังเป็นการกันเลยอืมอย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อนะคะอืมเราต้องแล้วก็อย่าอยากให้มันเกิดอีกนะ ที่มันไม่เกิดเพราะว่าไปอยากให้มันเกิดค่ะอีกนิดสังเกตไหมตอนครั้งแรกมันเกิดโดยเราไม่ได้จงใจไม่จงใจเอเนี่ยพอเราเคยเกิดทีนึงเราก็จงใจจะให้เกิดคราวนี้เลยไม่เกิดเลยค่ะนะงั้นต่อไปเนี้ฝึกไปตามธรรมชาติธรรมดานี่แหละเพียงเราก็รู้เผลอเราก็รู้อีกนิดนึงนะคะเอย่างตอนสวดมนต์นะคะสวดมนต์แล้วเวลาตอนสวดมนต์มีอยู่ครั้งหนึ่งก็สวดสวดแล้วเหมือนเห็นมัน เหมือนลิ้นเนี่ยมันกระดกไปกระดกมาแต่เราอะไรกระดกไปนะตัวลิ้นข้างในในร่างกายมันกระดกไปแต่เราก็พยายามไม่เราหยุดมันไม่ได้มันก็สวดเหมือนไปอะเออมันเคยชินที่จะสวดแต่ว่าเราก็มันเหมือนกับเป็นคนละส่วนกันหนูใช่แน่ใจมันอยู่ต่างหากใจมันเป็นคนดูนะมันเห็นลิ้นมันกระดุกดิกกระดุกดิกไปอืออันนั้นอันนั้นคงนั้นเรียกว่าแยกไหมคะหรือแยกแยกเหรอคะอืมแต่ว่าไม่ต้องจงใจนะค่ะแยกขันมีสองอย่างอันแรกเลยไม่ได้จงใจแยกแล้วมันแยก อันนี้ถูกเป๊ะเลยอนี่มันไปจําได้ว่าแยกเป็นยังไงสภาวะที่แยกเป็นยไงจงใจให้แยกอันเนี้ยแยกผิดใจจะตัวรู้แยกอยู่ต่หากจริงนะแต่ทื่อๆแข็งๆใช้ไม่ได้ต้องทิ้งมันความรู้สึกนั้นไปเออทิ้งไปแล้วก็ค่อยๆปฏิบัติเหมือนเดิมค่อยๆใช่แล้วมันจลับมาเองถ้าอยากให้มานะไปจงใจทำนะเป็นของปลอมเป็นตัวรู้ปลอมนะตัวรู้ปลอมจะแข็งกระด้างเออมันแข็งๆนิดๆนะหนูนั่นแน่นอนแข็งแน่นอน ขอบคุณมากครับยังบอกว่าหลวงพ่ขานะคนนึงช็อกเลย <laughs> เ อ, อผมไม่เห็นสภาวะจิตที่เขาพ้นออกมาจากทุกข์ผมไม่เห็นสภาวะที่จิตเขามีปัญญาแล้วเขาพ้นออกมาจากทุกข์เลยครับเอไม่พ้นจะอารมณ์ครับผมหลังจากนั้นเขาก็เห็นว่าจิตเนี่ย เ, เขาภาวนาได้เองเออมันเหมือนเป็นกระแสอย่างหนึง่งอืมที่เขาภาวน า, ขาวเขาได้เองอืมหลังจากนั้นผมก็ไปเห็นว่าพระัรรมคือ พระพุทธเจ้ายังมีอยู่จริงนะครับมีสิไม่มีทําได้ไงนะก็ยังยังมีอยู่ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ครับเป็นเนื้อเดียวกับพระธรรมเลยครับเวลาเราทํำวิปัสสนานะทุกคนต้องเจอเจออะไรเจอวิปัสสูนครับจะไปเกิดอย่างเนี้สภาวะอย่างนี้ยทุกคน่ะต้องเจอแล้วบางคนเป็นมากนะคิดว่าบรรลุพระอรหันต์เลยนะครับสังเกตให้ดีจิตตอนนี้ถึงฐานไหม ไม่ถึงะะลองย้อนมาดูที่ถึงไหมเห็นไหมมันเข้ามาไม่ได้ครับนะมันจะเกิดการฟุ้งในธรรมขึ้นมาการฟุ้งในธรรมเป็นมิปัสสนูหนึ่งในสิบนะแล้วปฏิบัติเก่งนละถึงจะเป็นนะรั้นที่เราทํามาเนี่ยจิตเราขึ้นไม่ปั ส, สนาแล้วนี่ขึ้นมีปั ส, สนาแล้วสมาธิไม่พอมีปัสสนูจะเกิดเป็นอย่างนี้ทุกคนนะให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนออกไปจิตที่ไม่ถึงฐานนะพอจิตเข้าฐานแล้วความฟุ้งในธรรมะเนี้จะหายไป แล้วเราจะเดินต่อได้ครับนะไม่ทําเอานะเห็นไหมมันไม่ยอมเข้ามันอยู่ข้างนอกตลอดเออ <ไป S 1> นั่นเจ้าออไปไเห็นไหมนั่นแหะมันทําให้เกิดวิปัสสนู๋นะงั้นเรารู้ทันว่าปัญจ้านะกลับเข้ามาถ้าจิตมันสงบเข้าถึงฐานจริงนะมีสมาธิที่ถูกต้องจริงๆนะมิปัสสนูจะหายทันทีวิปัสสนูนะั้นทุกคนก็ควรจะเรียนนะ ถ้าจเจริยมีศัสนาแล้วต้องเจอแต่ว่ามันมีทั้ง10ชนิดทั้ง10ชนิดนะส่วนใหญ่ถ้าไปหาดูจิต ด, ดูใจเนะี่ยมันจะเจ้าออไปจะสว่างจะว่างสบายนะเรีวอุโาษตัวที่หนึ่งเลยวิปัสสนูชื่อโอภาษนะแล้วตัวอื่นๆก็จะตามมาได้เป็นแถวเลยในถ้าทําไมไมีทั้ง10ตัวจะสู้ยังไงถ้ง10ตัวสู้ด้วยวิธีเดียวกันนะวิปัสสนุปิเลส10ตัวเนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งนะพระนนท์ท่านเรียกว่า ธรรมุทัตจะธรรมะอุทัตจะความฟุ้งซ่านในธรรมะ1ิบประการถ้าเมื่อไรจริตเข้าถึงฐานเนี่ยมิฟาสนุจะดับทันทีนะเพราะว่ามันมันไม่ไม่ฟุ้งซ่านในธรรมะนะงั้นต้องฝึกอย่าทิ้งการทำความสงบนะกลับเข้ามาให้จิตถึงฐา น, นจริงๆฝึกเวลาเล็กน้อยห้านาทีสิบนาทีนะผมเคยได้สมาธิจากการดูลมหายใจอะครับน พอได้ครั้งเดียวแล้วกลับมาดูอีกมันไม่เข้าสมาธิไม่ได้ฉากเลยครับมันอยากแล้วมันไม่เข้าเราทําอย่างที่หลวงพ่อสอนตะกี้จําได้ไหมเดี๋ยวผมจะขับเห็นร่างกายหายใจครับเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไม่จ้องลมนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูที่ดูกว้างออกมาหรือเปล่าครับอะไรนะคล้ายๆดูกว้างๆออกมาหรือเปล่าดูกว้างๆแต่อย่าให้ใจเรากว้างออกไปใจมันย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาดูตอนนี้ใจมันกระจายกว้างออกข้างนอกครับถ้าใจกว้างออกข้างนอกนะหลวงปู่ดูลเนี่ยจิตออกนอก ครับนะมันต่อไปไม่ได้การนักสังขารหลวงพ่อครับก็ส่งาการบ้านโดยที่ปฏิบัติอยู่ขนาดนี้เป็นมีอะไรที่ก็แก้ไขไหมครับโอ้ถามอย่างนี้ครอบจักรวาลเลยนะถามอย่างนี้ก็คล้ายๆว่าทําไงจะบรรลุพระอรหันต์เพราะมันต้องมีเรื่องที่ต้องสู้ตลอดแนวเลยเอาเฉพาะหน้าของเราดีกว่าเราสํารวจตัวเองสิเราเป็นปัญญาชนนะอาคุณอะไรเรายังไม่ละ กุศลอะไรยังไม่เจริญสํารวจใจเอาศนะีลเราดีไหมนะดีได้ทุกข้อไหมอันไหนยังบกพร่องแล้ไปแก้ไขตั้งใจใหม่อะไรเงี้ยสมาธิเราดีไหมหรือใจเราฟุ้งซ่านมากนะในสมาธิเราเป็นแบบเครื่องซึมหรือสมาธิแบบรู้เนื้อ ร, รู้ตัวเนะนี่ยเราสํารวจนะเราเจริญปัญญาไหมเราเห็นธาตุเห็นขันแยกไหมเห็นแต่ละธาตุแต่ละขันแสดงใจลักไหมเนะนี่ยสำรวจนะดูไปเรื่อยๆ อันไหนบางคนมักง่ายนะบอกว่ารู้เฉยๆก็พอแล้วพูทเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะธรรมะบางอย่างท่านก็ให้รู้ธรรมะบางอย่างท่านก็ให้ละนะไม่ใช่รู้เฉยๆก็พอแล้ว่านพูดไม่ถูกนะตรงที่ว่าให้แค่รู้แค่เห็นนันไนะม่ขั้นวิปัสสนาให้เห็นสภาวะทั้งหลายเกิดแล้ดับแค่รู้แค่เห็นคือไม่เข้าไปแทรกแซงนะแต่ถ้าเรายังมีอกุศลอยู่เนี่ยต้องละเอาอกนะุศลต้องเจริญเอา เนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกทั้งหมดนะเป็นปัญญาชนเลยไปดูตัวเองออกที่ภาวนาเนี่ยใช้ได้นะไปทำเนาะกับออกรา บ, บนำ้ำพระสกรณฐ์ปีติเยอะไปค่ะปิติเยอะไปนปลืม้มปลืม้มปลืม้มปลื้มอ้าวว่าไงค่ะก็ ได้ฟังหลวงพ่อปรโมทในยูทูบมาสองปีกว่าค่ะเพิงได้ส่งการบ้านหลวงพ่อครั้งแรกค่ะก็สังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนเนี้จิตใจเราเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะะมันเปลี่ยนน ะ, ะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของหลวงพ่อหรอกธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถเปลี่ยนใจคนได้ในเวลาอันสั้นอย่างพวกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยบางคนจะไปคุยกับพระพุทธเจ้าอาจารย์เนี่ยห้ามเลยอาจารย์ห้ามเลยบอกอย่าไปคุย มีเศรษฐีคนนึงชื่ออุบาลีจะไปโตวาทีกับพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์นิครนอาจารย์บอกอย่าไปเถียงอย่าไปคุยกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีมนเปลี่ยนใจใครไปคุยด้วยเราเปลี่ยนใจตอนนี้หนูถ้าโดนมนเปลี่ยนใจแล้วรู้สึกไหมใจเราเปลี่ยนฟัง youtube นะใจยังเปลี่ยนเลยค่ะก็ถ้าที่ปฏิบัติมาที่ดูก็มันจะชอบมีตัวที่เรียกว่ารู้แล้ว ขึ้นมาอือยู่เรืยห้ามมันไม่ได้หรอกก็รู้เอแกอยากบอกว่ารู้ก็ช่างแกมันมันขึ้นมาปล่อยเหรอเห็นไหมมันพูดได้เองเห็นไหมมันคิดได้เองใช่ค่ะเห็นไหมมันรอบตรวดหลงได้เองค่ะเออเนี่ยมันทํางานได้เองมันสุกมันทุกข์ก็สั่งมันไม่ได้คะนั่นแหละเราเห็นของจริงแล้วดูไปเรื่อยจนมันนึ่งใจมันยอมรับใจยอมรับก็ได้ธรรมะนั่นแหละแล้วบางทีก็อย่างเวลาทํางานรักษาคนไข้อยู่ก็ บางทีก็รู้ว่าติดเพ่งก็จะมีคําว่ารู้แล้วแล้วก็จะมีคําถามเกิดขึ้นกับใจเราว่าใจเราเป็นกลางหรือ ย, อยังที่ขณะที่เราทํางาน <c oughs> ดําเนินชีวิต <c oughs> มันมันเป็นกลางหรือยังะคะ่ะห้ามมันไม่ได้หรอกมันเป็นความฟุ้งซ่านเป็นความฟุ้งซ่านเป็นความรักดีของจิตนะมันฟุ้งมากไปแต่ห้ามมันไม่ได้ใหแค่รู้นะอย่าไปว่ามันด้วยนะถแกพูดมากจังอะไรอยไม่ต้องว่ามันเดี๋ยวมันน้อยใจมันเงียบไม่ยอมพูดเลย ที่ภาวนาใช้ได้นะดีนรมะสการหลวงพ่อค่ะเพิ่งเคยมาจ่งกันบ้านกับหลวงพ่อครั้งแรกแต่ว่าก็ที่ผ่านมาพยายามทําความรู้สึกตัวค่ะแล้วรู้สึกว่าทุกวันด้วยการทํางานอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกตัวได้น้อยมากเลยเลยอยากจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อถ้าทํางานที่ต้องคิดนะรู้สึกไม่ได้นะอย่างถ้าเราต้องคิดคิดคิดย่างยิ่งพวกคิดซอฟต์แวร์นะ วันนี้จะมารู้สึกตัวนี่ยคิดต่อไม่ได้เลยลืมหมดเลยถ้าทํางานที่ใช้ร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยเรารู้สึกง่ายเห็นร่างกายทํางานใจเป็นคนดูแต่ถ้าเราทํางานที่ความใช้ความคิดนะถ้ากิเลสแรงๆมันเกิดเนี่ยก็ค่อยรู้เอาเช่นเบื่อแล้วขี้เกียจทํางานะแล้วรู้เอาทำงานได้ผลดีเกิดดีใจรู้ว่าดีใจทํางานแล้วเครียดกลัวไม่ทําให้ทันเครียดรู้ว่าเครียดน เ, ยดเยดนี่ยค่อยปฏิบัติเอาตอนนี้เก็บเล็กเก็บน้อยนะ นามส ก, การครับวันนี้มันอยู่ใกล้หลวงพ่อมันก็เลยเพ่งไหวแล้วก็สิ่งที่อยากถามหลวงพ่อคือเรื่องของวิหารธรรมครับพอดีว่าพยายามปฏิบัติในรูปแบบวันหนึ่งเนี่ยประมาณ15นาทีแต่ว่าทีนี้พอตอนที่ปฏิบัติเนี่ยมันคือตอนเย็นปกติเป็นคนชอบลมหายใจเวลาพอดูลมหายใจเนี่ยมันจะมันจะง่วงง่ายครับก็เลย พยายามที่จะบริกรรมทีนี้เนี่ยบริกรรมบางทีมันก็ดีก็คือมันเห็นกายเดินไปแล้วเหมือนไอตัวบริกรรมเนี่ยมันผุดอยู่บริเวณเนี้ยนะครับแต่แต่ว่าบางทีเนี่ยเอ่อมันมีเกิดดับที่ที่พอเรารู้โดยที่ยังไม่รู้ว่ามันมันเป็นอะไรนะครับโอ้อย่างนั้ น, นดีเอ่อแล้วพอบริกรรมไปปุ๊บเนี่ยตรงนั้นมั น, ม, นมันเหมือนเสียไปอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากรู้ว่าควรจะบริกรรมไหมหรือว่าแค่หายใจอย่างเดียวก็พอครับคือบางคนหายใจอย่างเดียวไม่ไหวใช่ไหมใจไม่ลงแล้วดูตัวเอง แค่ไหนพอดีที่เราไปทําบริกรรมทําอะไรก็เพื่อให้มีเรี่ยวมีแรงนะพอเรามีเรี่ยวมีแรงแล้วเราเห็นจิตมันเกิดดับเกิดดับได้เราก็ดูมันทํางานไปครับหลวงตามาหาบัวเคยสอนนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของท่านแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องดูเองอย่างหลวงตานะท่านบอกท่านพุดโธตนะั้งแต่ต้นจนจบเลยครับนะั้นท่านพุดโธพุดโธแต่ไม่ใช่พุโทโธให้ใจนิ่งพุดโทเราก็เห็นทา่าเห็นขนันเห็นกายเห็นใจมันทำงานไปด้วย พุทโธแค่ตัวกระตุ้นไม่ให้ใจหลงไปยาวเท่านั้นเองครับน ะ, ะคําบริกรรมนี่มันที่ต่างกันนี่มันมีผลที่ต่างกันไหมครับมีบางคํำเราบริกรรมแล้วโมโ ห, โหเลยไม่ชอ บ, บนะบางคําบริกรรมแล้วหลับบางคําบริกรรมแล้วสบายใจออืนะอย่างผมนี่บริกรรมว่าพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจยอย่างนี้คือได้ใช่ไหมครับได้แต่นานๆอาจจะโมโหหรือเปล่าใช่ครับพอนานๆมันก็จะลาคาญ แต่ให้พูดโธอย่างเดียวมันก็มันก็<อ>ไม่ชอบอะค่ะเออให้มันโมโหไปก่อนนะพอโมโหแล้วรูว้ว่าโมโหแล้วก็เหลือพุทโธหนะลวงพ่อนะตอนเด็กๆหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะครับแล้วนับด้วยให้ยใจเข้าพูดออกโทนับหนึ่งเข้าพูดออกโทนับสองเนะี่ยหลวงพ่อรีท่านพ่อรีท่านสอนให้นับไปถึงสิบนะแล้วก็นับมาเก้าแปดเจ็ดตอนนั้นเราเด็กอะนับเลขถอยหลังไม่ถนัดนะนับแลเครียดไม่เอา นับมันตั้งแต่1ถึงร้อยเลยนะับ1ถึงรอยแล้วเริ่ม1ถึงรอยใหมนะ่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะกรรมฐ า, านอะไรก็ได้นะครับ เ, เวลาที่ฟังซีดีอะครับหลวงพ่อแล้วมันชอบแบบ เ, เหมือนมีโทสะกับคนที่เขาส่งกันบ้านเวลามีคนส่งกันบ้านให้เรามีโทสะ <c oughs> ทุกที่เลย <c oughs> เป็นอะไรไหมครับ <c oughs> เราก็เลือกฟังสิรเราก็อย่าไปฟังตอนเขาส่งกันบ้าน <c oughs> ไม่เฉพาะตอนฟังซีดีหรอกตอนที่คุณส่งกันบ้านเนี่ยบางคนเขาก็โมโหเหมือนกัน <laughs> <laughs> มันนานาจิตตังนะ <laughs> ยิ่งบางคนส่งแล้วไม่เลิกนะส่งแล้วยาวขออีกนิดขออีกหน่อยขออีกกระจุงหนึ่งอย่างเงี้ยนะ <laughs> พวกพวกนี้แทบจะโดดทุบเลยยิ่งคนคนไหนจะเครียดที่สุดอ่ะคนที่จะส่งกันบ้านคนสุดท้ายเครียดที่สุด <laughs> นะอ่ะ หนูอยากทดสอบความเครียดไหมกำลังเครียดอยู่เลยค่ะถ้าอยากเครียดกว่านี้นะก็ส่งไมค์ไปทางนี้แล้วย้อนกลับไปเนี่ยจะเครียดที่สุดเลยเอาแค่นี้พอแล้วเครียดพอสมควรเอว่ามากราบนมำสการหลวงพ่อค่ะคือโยมเพิ่งมาส่งการบ้านครั้งแรกอะค่ะไม่แน่ใจว่าที่ปฏิบัติมาพันพันนานนะทำใจสบายๆนะเอออย่าไปจริงจังมากแล้วจริงจังมากไปมันจะเครียดภาวนาให้มันมีความสุขภาวนา คล้ายๆเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าบูชาไปแล้วจะได้อะไรไม่ได้อะไรไ ม, ไ, ไม่สาคัญนะขอให้ได้ปฏิบัติถ้าระวางใจอย่างนี้เราไม่พาหนาสบายนะคือโยมจะฟังซีดีหลวงพ่อเป็นประจำอะค่ะแล้วก็ระหว่างที่ฟังเนี่ยมันก็จะเห็นสภาวะบอออ่อยอย่างนั้นก็ฟังไปค่ะแล้วก็<ม>รู้สึกไม่ไม่แน่ใจว่าตัวเองเข้าใจผิดหรือเปล่าค่ะว่าการฟังซีดีหลวงพ่อในรถทุกวัน แล้วก็มาฟังในในวันนี้มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนะคะเออไม่ต่างหรอกแต่ความน่ากลัวมันต่างกันตอนฟังในร้อนไม่ตื่นเต้นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ตื่นเต้นขนาดนี้นะคะ่ะอย่างเนี้ยได้เห็นสภาวะจิตที่เต้ น, ตตตนทุบๆนะคที่จริงมันไม่เหมือนกันทีเดียวหรอกนะแต่ถ้าไม่มีโอกาสเจอหลวงพ่อนะก็ฟังซีเดียวถ้าเจอหลวงพ่อคือถ้ามีหูมีตานะจะรู้ว่าใจมันไม่เหมือนกันทีเดียว ใจมันตื่นตัวใครอยู่ใกล้หลวงพ่อก็ตื่นทั้งนั้นแหละที่นิยมควรจะปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะทำไปนะอย่าให้ใจมันเครียดนะทำไปสบายๆค่อยๆฝึกไปไม่ใช่ว่าจะต้องบรรลุมรรคผลเร็วๆหรอกนะเราทำไปถ้าเราหวังว่าจะเร็วยิ้งช้างั้นเราทาเล่นๆทาไปถือว่าบูชาพุทธเจ้าปฏิบัติไปฟังซีดีนะ แลก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงข อ, องจิตไปเรื่อยสังเกตไหมว่าจิตเดี๋ยวนี้ก็แต่ ก, ก่อนก็ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมว่าจิตจากความรู้สึกเป็นคนละอันเพิ่งเพิงจะเห็นเมื่อไม่นมานา น, นี้นั่นแหละขันมันเริ่มแยกแล้วแค่ฟังซีดีนะขันก็แยกได้นยแต่เดิม น, นพวกฆราวาสไม่มีโอกาสบรรลุมรรคผลเลยเพราะไม่เคยได้ยินธรรมะแบบนี้การแยกรูปแยกนามเนี่ยเป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งเลยนะ แยกรูปนามเห็นกายอยู่ส่วนกายจินอยู่ส่วนจินแยกขันแยกอะไรเงี้ยเราไม่เคยได้ยินหรือบางทีไปเข้าคอร์สนะบอกมีปรัชนานะเห็นรูปยกอันหนึ่งรูปย่างอันหนึ่งอันนั้นรูปกับรูปไม่ใช่รูปกับนามนะถ้ารูปกับนามก็ร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอะไรเงี้ยถ้าเราเคยได้ยินธรรมะอย่างนี้เราก็พัฒนาได้ไม่ใช่ไปไม่ได้หรอกถึงวันนี้ก็เรียกว่าพัฒนาขึ้นมาแล้วเพราะขันมันแยกแล้วนะ การที่ขันแยกเนี่ยอย่าไปคิดว่าจะแยกตลอดบางทีก็รวมบางทีก็แยกเพราะเราไม่ใช่พระอรหั น, หนนะต์พระอรหันต์นะจิตพากออกจากขันไม่รวมกันอีกเลยนะนิยมควรทําเพิ่มเติมในรูปแบบอีกไหมคะว่า ท, <ำ S 2> ทําทุกวันวทให้สม่าําเสมอะนะดีกว่าทํามากสม่าําเสมอดีกว่าทํามากนะคือดูลมแล้วมันมันชอบไปมันไปจิตไปเป็นแอกกับลมอะค่ะอฝึกใหม่ <l ug> เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้นะ ข, ขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะาาก่ะแล้วมรดกหลวงพ่อค่ะไปส่งการบ้านพระอาจารย์เมื่อเดือนเมษาแล้พระอาจารย์บอกให้มาปรับการนั่งสมาธิใหม่ก็ได้ไปเริ่มปรับปรุงมาตอนนี้ก็คือใช้วิธีแบบดูกายดูใจแล้วก็ดูเหมือนแค่รู้เฉยๆค่ะดูแล้วก็แล้วก็บางครั้งก็ไม่ได้ไม่ได้จับเข้าไปในลมแต่แก็รู้สึกตัวแลบางทีก็มีรู้สึกกับตัวมาหนักๆ ทีนี้ไม่ทร <ยก S 1> าบทีนี้ไม่ทราบว่ายังทําทําถูกทางอยู่ไหมคะหรือควรจะปรับยังไงบ้างคะ่ะรู้ทันจิตไหมรู้ทันกิเลสอะไรต่างๆไหมมีค่ะถ้าเห็นกิเลสเห็นจิตอยู่ใช้ได้ถ้าพอนานแล้วไม่เห็นกิเลสใช้ไม่ได้ไปทําต่อ<ช>รู้รทันกิเลสไหมตอนนี้อย่างตอนที้มีช่วงที่มีทุกข์มากๆเนี่ยเราก็จะรู้ทันทุกข์แต่เสร็จแล้วพอมันรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันแว บ, บหายไปแล้วมันก็กลับมาอีกแล้วมันจะพันอยู่กับ ในใจเราประจําเลยค่ะเราจะเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้ทุกข์หายไปนะทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ทุกข์ให้ละนะงั้นมีความทุกข์ขึ้นมาให้รู้ว่ามันทุกข์อยู่พอทุกข์แล้วอยากหายให้รู้ว่าอยากใจก็จะเข้าสู่ความเป็นกลางรู้ทุกข์ด้วยความเป็นกลางนะทุกข์ก็เกิดดับได้แล้วตอนที่เราพอเราเป็นกลางเสร็จปุ๊บเราตอนนั้นเราก็มานั่งแบบหาทางแก้ปัญหาของเราใช่ใช่ถูกแล้วเสร็จแล้วพอกลับมาปัญหาไม่จบมันก็ มันไม่เหมือนกับพันกับจิตเรานั้นก็ปัญหามันยังไม่หมดนะมันก็คิดใหม่คิดใหม่ก็ทุกใหม่นะก็ขึ้นวิถีของความทุกข์ขึ้นมาอีกเป็นธรรมดาทั้งนั้นแล้วไม่ทราบตอนนี้ก็คือว่าไม่รู้สึกไหมว่าอยากถามว่าจะทำยังไงใช่ค่ะแล้วไม่กล้าถามรู้สึกไหมใช่ค่ะให้รู้ทันนะอ่ะถ้าถามว่าทำยังไงก็ผิดแล้วละให้รู้ไม่ใช่ให้ทา นะตอนนี้อยากจะแก้มันอยากจะล้างมันให้หมดให้รู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางตัวนี้ต่าหากหละ่ะนะกับนำ้ำมัสการหลวงพ่อครับผมปฏิบัติมาหลายปีนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยทำในรูปแบบมากขึ้นก่อนนอนตอนเช้าแล้วก็วจเจริญสติในชีวิตประจำวันด้วยเห็นการเปลี่ยนแปลงคือเห็น มากขึ้นความสุขความทุกข์นะครับเป็นกลางกับมันมากขึ้นรู้สึกว่ามีการพัฒานา น, านะพนะอนานมาถูกทางแล้วถูกเป๊ะๆ เ, เลยมีอะไรที่จะต้องทำมมไม่ต้องทำอย่างนี้แหละนะมากกว่านี้ไม่ได้สติก็อัตโนมัตินะสมาธิก็อัตโนมัติแยกธาตุแยกขันธ์จเจริญปัญญาก็อัตโนมัติมันทำมากกว่านี้ไม่ได้แนละ้วมันเหลือเวลา เมื่อก่อนหลวงพ่อก็ไปถามครูบาอาจารย์นะว่าผมจะทําไงให้ยิ่งกว่านี้ท่านก็บอกว่าทําไม่ได้มันเหมือนผลไม้ที่ต้องรอเวลาสุกงอมนะเราจะไปเก็บมาท่านบอกงี้เลยไปรีบเก็บผลไม้มานะเอามาบ่มอยากให้สุกมันไม่หอมหวานถ้าไหมงี้นนะนั่นอยากเป็นผลไม้ที่หอมหวานให้มันสุก ข, ของมันขาดต้นเลยขอถวายการปฏิบัติเป็นพุทธบูชานะครับเ อ, อสาธ<ำ>ุ ีพยายามที่จะปาราลบความเพียรให้มากขึ้นนะครับแล้วก็อย่ารีบนะครับเดี๋ยวคือเขิมโดยลุยแหลกเลยเสียเลยนะครับ <c oughs> จะนำคำสอนของหลวงพ่อไปปฏิบัตินะครับแล้วก็จริงๆตั้งใจว่าถ้ามีเหตุปัจจัยที่พร้อมที่ที่ทเหมาะเนี่ยก็อยากจะบวชแต่ว่า ถ้าเกิดว่าชีวิตนี้ไม่มีโอกาสนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมต่อเนี่ยตั้งใจว่าตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าจะปฏิบัติแบบนี้ไม่เลิกออจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตส<ช>าธุถ้าเกิดอีกก็ปฏิบัติอีกคําเนะไม่เลิกเ<อ>นี่ยหลวงพ<อ>่ อ, อไปเจอครู บ, อบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านไม่สบายไปเยี่ยมท่าน ก็คุยเรื่องการปฏิบัติกับท่านตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่บวชแล้วท่านก็น้ำตาซึมเลยนะท่านบอกว่าท่านเป็นรู้สึกหลวงปูมั่นรุ่นเดียวกันนะพ้นถูกไปหมดแล้วท่านไม่ได้อะไรเลยท่านนี้แต่อีกร้อยชาติท่านก็ไม่ถอยท่านทางโอ้หลวงพ่อกราบท่านเต็มไม้เต็มมือเลยนะใจของนักปฏิบัติต้องอย่างนั้นสิ ไอ้ประเภทห่อยๆแย่ๆ ห, ห, ห, ห, หนูภาวนามาตั้งสามวันแล้วยังไม่ดีให้ฟังแล้วคลื่นไส้เลยอย่างนั้นน ะ, นะ <c oughs> ต้องสู้เอาอย่างนี้แหละ <c oughs> ดีขึ้นของพระคุณครับมีไหมบนเนี่ยหนูตั้งเจ็ดวันแล้วโอ้โหฟังแล้วขดลุก <c oughs> นมัสการหลวงพอ่อค่ะหนูขอบคุณหลวงพอ่อหนูได้มีโอกาสฟังธรรมของหลวงพ่อครั้งแรกก็เดือนนี้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็รู้สึกว่าโชคดีมากก็หนูอยากสอบธรรมหลวงพ่ออย่างนี้คือเวลาปฏิบัติเนี่ยใช่ตรงไปที้ที่พี่เขถามเนี่ยบางทีมันก็จะแบบมันเป็นเห็นแสงเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ควรจะเข้าไปเพ่งมันเพราะว่ามันก็คงเป็นมันเป็นสมถะแต่เนี้ย จะอยู่เรียนรู้อยู่กับมันยังไงให้ถูกต้องทีนี้ถ้าหนูแบบนั่งเงี้ยเห็นตัวนั่งแต่ก็เห็นไอ้แสงตรงเนี้ยอยู่ตรงตัวด้วยอย่างนี้มันถูกไหมคะก็ปกตินะใจมันสงบมาแสงมันก็ออกนะเห็นแสงหลวงพ่อบ้างไหมเออยังไม่พอต้องขอให้เขาเปิดสปอตไลท์ช่วยถ้าโดนสปอตไลท์แหมแสงจ้าเลย ไม่ว่าจะเห็นอะไรจำหลักนะไม่ว่าจะเห็นอะไรให้รู้ทันจิตนิมิตทั้งหลายเนี่ยไม่ม mm ีสาระจะเห็นแสงหรือจะไม่เห็นแสงเห็นผีเห็นเทวดาเนี่ยเท่าเทียมกันหมดเลยเห็นแล้วจิตเป็นอย่างไรให้รู้ทันเช่นเะห็นแล้วรำคาญรู้ว่าราคาญเห็นแล้วงงว่าจะรู้อะไรดีรู้ว่างงเนีเห็นแล้วรู้ทันจิตไ้นะถ้าไม่ทิ้งจิตก็ไม so cool. ่พลาดหรอกถ้าทิ้งจิตก็ตามแสงไป ขอบคุณค่ะแล้วก็ข้อที่2คือแบบบางทีเรานั่งเนี่ยเนาะมันก็มีบางครั้งที่ร่างกายมันมีปฏิกริยาเนาะกระตุกบ้างนะเนาะคันรรบ้างเนาะคือไอ้อย่างเงี้ยคือบางทีอะ่ะมันเกิดแล้วมันเกิดแบบทีหนูก็เหมือนแบบไล่ตามเออตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้บางทีมันก็เหมือนมันก็รวมได้แต่เลเจริญนั่นไปแผ่ส่วนมูลแผ่ส่วนกุศลไปบ้างนะบางทีมันมีวิบากเล็กๆน้อยน้อยนะเวลามีวิบากเล็กน้อยเรานั่งสมาธิมันกะวน ขอบคุณมากค่ะกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะช่วงนี้ถุกมากค่ะเพราะว่าไม่ชอบรู้สึกไม่ชอบติดใจตัวเองเลยค่ะเหรอโถรู้สึกว่ามันทำไมมันอ่อนแออ่อนไหวเซนซิทีฟไม่เป็นปกติไม่เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเราตั้งใจให้เด็ดเดียวยนะเรามอบกายถาวายชีวิต เราจะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าจะดีหรือจะไม่ดีเราไม่เลิกตั้งตั้งใจไว้เงี้เวลาที่เราพร า, านานะมารเนี่ยจะพยายามถ่วงให้เราเลิกให้เราท้อแท้ให้เรา ท, อท้าทอถอยมารมีทั้งมารภายในมารภายนอกนะแต่มารยังไงก็สู้พระไม่ได้เราเราตั้งใจเด็ดเดี่ยวไว้กับพระพุทธเจ้ามาทุกวันแจะปฏิบัติดีก็ปฏิบัติไม่ดีก็ปฏิบัตินะค่ะรู้สึกว่าช่วงนี้จิตใจมันแบบ อ่อนไหวบางทีฟังซีดีหลวงพ่อก็เกิดสลดสังเวชร้องไห้ขึ้นมาเอาพ อ, เอีกนะอย่าให้มันครอบงําใจคะนะให้รู้ทันความรู้สึกอย่าให้ครอบใจเราได้แล้วก็ช่วงนี้จะรู้สึกว่ามันอ้างว้างเหมือนว่าแบบโลกนี้มันไม่มีสาระเออมันเป็นธรรมชาตินะบางคนที่เจริญปัญญาไปแล้วเนี่ยจะเห็นโลกนี้หาสาระไม่ได้ไม่มีที่พึงนะ่งนะเมืองว้าง เ, าเขาเรียกว่าอาทีนวายาน เวลาผ่านไปไม่ใช่เจอสภาวะอย่างบางคนเจอนะบางคนก็ผ่านไปเร็วแต่ว่าเวลาหนูรู้สึกอย่างนั้นก็จะรีบหายอื่นทําเพราะกลัวเป็นแบบ depression อะไรอย่างนี้ค่ะเอออย่าไปกดมันไว้ให้คอยรู้เอานะรู้เอาอย่าไปยอมมันอย่าให้มันครอบใจเราได้เวลาความเศร้าทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยนะสาวๆที่ชอบท้อแท้เศร้าแล้วโอ้ยเศร้าเศร้าๆร้าไปเรื่อยนี่ใช้ไม่ได้นะมันเศร้าขึ้นมาดูมันก็ไปตรงๆเลย มันจะกระเด็นออกไปจากใจเราเลยครอบใจเราไม่ได้ใจเข้มแข็งขึ้นไม่งนั้นใจจะออนแอน ะ, อะแล้วก็ครั้งที่แล้วหลวงพ่อแนะนำให้ไปสังเกตว่าช่วงไหนที่จิตตั้งมั่นก็ให้ทำสมาธิแบบจิตตั้งมัน่นช่วงไหนต้องการแรงก็ให้ทำสมาธิแบบจิตสงบซึ่งหนูเพิ่งจะเข้าใจว่าเพิ่งจะเห็นว่ามันแตกต่างกัน จิตตั้งมั่นกับจิตสงบแต่ว่ามันเรื่องไม่ได้อะคา่ะหลวงพอ่อไม่เป็นไรจิตตั้งมั่นรู้ว่าตั้งมั่นจิตสงบรู้ว่าสงบแค่นั้นก็ใช้ได้ละจิตมันจะจัดการของมันเองช่วงไหนมันเหนื่อยมันก็กลับมาสงบพักผ่อนช่วงไหนมันมีกําลังพอนะแล้วมันรู้ว่าสงบอยู่เนี่ยไม่ติดความสุขตรงนี้นะก็ดีดขึ้นมาก็ตั้งมั่นขึ้นมาอ่หลวงพ่อมีอะไรจะแนะนําหรือให้การบ้านหนูเพิ่มอย่าให้อารมณ์ครอมงําจิตนะ ไม่ว่าอารมณ์อะไรเกิดขึ้นรู้เข้าไปตรงๆ ร, ง ร, งรู้ไปซื่อๆมันจะหลุดออกไปจากใจเราอย่างนี้แปลว่าต้องมีสมาธิมากขึ้นหรือเปล่าคะถึงจะสามารถใจเข้มแข็งกว่านี้หน่อยกลางนะใจให้มันเข้มแข็งกว่านี้หน่อยไม่ต้องว่าต้องมีโน่นต้องมีนี่นะเดี๋ยวเครียดว่าเรายัางไม่มีนะอย่ายอมมันเท่านั้นนะอย่าให้ความเศร้ามันครอบใจได้จบค่ะกลัขบขอบพระคุณค่ะกลับมนาสการครับหลวงพ่อ คือว่าที่ผมสังเกตนะครับเวลาโทสะเกิดขึ้นด้วยตัวเองเนี่ยสมมุติว่าเราเดินเตะโต๊ะครับอะไรนะเวลาเดินเตะโต๊ะอะครับเตะโตอ๋อเดินเตะโตคือเหมือโต๊ะมันซุ่มซ่ามโทสะมันดับเองเลยโอ้ใช่แต่เวลาคุณแม่บ่นเนี่ยมันเหมือนมันไปลองรับโทสะไปแล้วมันก็อยู่อย่างนี้มันก็มีความมันใช้เกิดตอนมันเคยชินไม่เคยชินนะ อย่างเราเตะโต๊ะเนี่ยเรารู้แล้วไม่ใช่ความผิดถองโต้ใช่ไหมโทรศัพท์เกิดเราก็ดูมันก็ดับกับแม่เนี่ยไม่ใช่พ่อแม่นะต่อไปอันจะมีเมียแล้วเมียขี้บ่นเนี่ยอทคนอื่นเอยแล้วพอสะสมหลายปีเขานะแค่เห็นหน้าโทรศัพท์ก็ขึ้นแล้วอย่างนี้ก็คือดูไปเรื่อยๆเวลาให้รู้ทันนะโอเคครับโกรธแม่ขึ้นมารู้อย่าไปว่าแม่ก่อนดูก่อนดูใจที่โกรธนะใจนี้ไม่มีความสุข ใจนี้เป็นอกุศลแล้วให้รู้เอาพ่อแม่เป็นของศักดิ์สิทธิ์นะถ้าเราเร่วมเกิดรล้วบาบมากเลยพรานายากเพราะงั้นเกิดอะไรขึ้นอย่าท้อใจนะพวกที่ชอบทะเลาะกับแม่ <c oughs> ค่อยๆฝึกเอาครับผมว่าครับเราถ้าเกิดฝึกรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆนานๆนี่จะได้ชาญอัตโนมัติหรือเปล่าครับบางคนได้บางคนไม่ได้<ต>ชาญเนี่ยนะบางทีฝึ ก, กับหลายชาติอ๋นะอ บางคนนะมาหายใจสองทีก็เข้าฌานล้วะคนหายใจทั้งชาติเพื <laughs> <laughs> ไม่ยอมเข้าอย่างงี้ที่หลวงพ่อบอกว่าฌานเอาไว้เป็นที่พักผ่อนนี่จริงๆก็คือถ้าไม่ได้ก็ไม่ไ ม, ไ, มไม่จำเป็นก็ได้ไใช่ไหมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพระอราหันต์ส่วนใหญ่นะก่อนจะเป็นพระอราหันต์นะส่วนมากนะไม่ได้ฌานด้วยซ้ําไปก็จะได้โสดานะสมัยพุทธกาลนะมีพระพุทธเจ้าท่านเคยเทศครั้งหนึ่ง ท่านบอกดูกรภิสูตทั้งหลายในบรรดาพระอราหันต์500องค์นะมีพระอราหันต์ที่ได้วิชาสมนระระลึกชาติได้รู้การจุติอุบัติของสัตว์ทั้งหลายล้างกิเลสได้เป็นวิชาส60องค์วิชาสมเนี่ยต้องต้องได้ฉันมีพระอราหันต์ชนิดอภิญญาหกเนี่ยอีก60องค์มีฤทธิ์มีเดชเยอะแยะนะพระอราหันต์ชนิดอุปโตภาควิมุตต์คือไดอรูปชาญเนี่ยอีก60สองค์ที่เหลือส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ก็คือคนอย่างพวกเรานี่เองดังนั้นเราเข้าฌานไม่ได้ก็อย่าไปทนะ้อถอยนะนั้นแค่3 6มสนหะกเปอร์สมัยพุทธกาลด้วยนะมีแค่ 36% พระอรหันต์ที่ว่าเก่งฌานมา ก, ก่อนอะถ้าส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างพวกเราเนี่ยหกมายุค ข, ของเราเนี่ยเหรอหก็ยากแล้วมีแต่สิ่งยั่วยวนให้ใจกระเพื่อมทั้งวัน แล้วหลวงพ่อเห็นสมควรว่าควรจะฝึกเพื่อพดีว่าผมไปเจอรุ่นพี่ที่เขาสอนให้ผมฝึกเพ่งกสิทธ์นะครับผมก็เลยเอ๊ะหรือว่าเราควรจะฝึกไว้หรือมีของเก่าหรือเปล่าไม่อยากบอกโอเคครับแล้วผมมีอะไรที่ต้องแก้ไขไหมครับเวลาโทรศัพทเกิดเรารู้ทันไหมนะครับเออมันเกิดบ่อยก็รู้เอาต้องเตะโต๊ะบ่อยบ่อยขอบคุณครับสงสารโต๊ะ ครับแล้วเกาลหลวงพ่อเจ้าค่ะเอมาส่งการบ้านคนแรกคือปีที่แล้วเวลาเดียวกันนี้ที่นี่นี่เป็นรอบที่สองออยากถามหลวงพ่อว่าที่ทํามานี่ยังเรารู้ไหมล่ะว่าเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะคะดีขึ้นหรือเลวลงมีทั้งที่ดีขึ้นและมีทั้งที่รู้ว่าเลวมากๆก็มีรู้ว่าเลวเนี่ยถือว่าดีนะค่ะเออฉะงั้นก็ถือว่าดีขึ้นดีขึ้นแล้วมีปัญหาอะไร ไม่แน่ใจเฉยๆให้รู้ทันว่าไม่แน่ใจไปทำต่อทำถูกละสังเกตไหมว่ากายกับใจบเป็นโคลลานเห็นไหมสุขทุกข์ดีชั่วโควรลานไม่ใช่ใจขันไม่แยกได้แล้วละ่ะเมื่อขันแยกได้แล้วต่อไปก็เห็นขันแต่ละขันทำงานได้เองอ เ, เห็นไหมนั่นแหละฝึกถูกแล้วแล้วทำในรูปแบบทุกวันนะแล้วใจไหลไปลรลเรารู้ใจไหลเรารู้ ถ้าไม่ฝึกตัวนี้ไว้พอวิปัสสนูเกิดเนี่ยพก็เป๋ไปน้อยใช่ใช่รู้สึกว่าเหมือนคนนั้นนะครับมีวิปัสสนูแน่เลยมันจะชอบเห็นเวลานั่งสมาธิเจ้าเห็นแสงล้อมอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยไม่ใช่วิปัสสนูนั้นนิมิตนิมิตใช่นิมิตนะเกิดจากทําสมถะวิปัสสนูเกิดจากรรมมทาํามวิปัส น, นา เห็นแสงก็ดีแล้วล่ะนดีนั่งทีไรเห็นกระทาทองแดงทุกทีอแย่เลยหมดแล้วมั้งนะอะไรนะมีกลดน้ำไหมไม่มีนะอะยาทาวาริภหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิจตุ สพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยทามนิโชติระโสยทาสัพีติโยวิวัตชันตูสพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุธาปจายโนจตตาโรธรมาวัทันตีอายุวันโนสุขขังพระลัง ปีนี้ดีกว่าปีกลายนะส่วนใหญ่พอนานดีขึ้นใช้ได้ละ